คุยเรื่องความว่างสักหน่อยนะความว่างเนี่ยในความหมายถ้าว่างสักหน่อยก็เรียกว่าสุญญตาถ้าว่างเยอะๆว่างนานๆว่างจากิเลสก็เรียกว่ามหาสุญญตามีสุญญตามีมหาสุญญตาทีนี้ความว่างก็ไล่ต่างว่างข้างนอกไปจากข้างนอกไล่เข้าไป ว่างจากหน้าที่การงานว่างจากธุระว่างจากเครื่องร้อยลัดผูกพันว่างจากความคิดความยึดติดวเนี่ยก็จะขยับเข้าไปเรื่อยๆจนเข้ามาถึงเรื่องของใจเป็นสุญญตาภายใน เขาว่างเกิดจากภายในทางนอกบางทีถ้าว่างจากข้างนอกทางโลกโลกเขาเรียกว่าโอกาสอืมมีโอกาสได้โอกาสโอกาสแปลว่าช่องว่างที่ว่างบางทีเราเรียกว่าอากาศแต่ข้างในนี่เขาเรียกว่าสุญญตาทีนี้คาว่าของความเป็นสุญิตานี่ได้มาจากไหนได้มาจากโ น, น่นอะไรตั้งแต่การเจริญกายคตาสติ การระลึกรู้อยู่กับกายกายยคตาสติทั้งหมดเลยนะ <c oughs> มีหกหมวดตั้งแต่กําหนดรู้ลมหายใจกาหนดรู้การเคลื่อนไหวอรีบทใหญ่อริบทย้อยกําหนดรู้ธาตุกาหนดรู้รูปกายเอาไล่ๆดูนะเราฟังคือมันไม่ใช่รู้ตัวเฉยๆแต่ความรู้ตัวเนี่ยจะ น, นําไปสู่ความ ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนที่ได้รู้ตัวรู้สึกตัวกำหนดรู้กำหนดรู้แค่ลมกำหนดรู้แค่การเคลื่อนไหวนน้อยต่อมาจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นความว่างแล้วก็เริ่มเห็นสิ่งที่ปรากฏกับร่างกายในเหมือนไม่ใช่เราบางทีก็เรียกว่ากายานุปัสนาบางทีก็เรียกว่า เห็นเป็นรูปเป็นนามการเห็นเป็นรูปเป็นนามคือเห็นเมื่อไก่เนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วแหละเป็นแต่สภาวะอาการเปลี่ยนแปลงวัดตรงไหนวัดตรงที่จิตเราไม่ไปยึดถือไม่ไปผูกพันเห็นเป็นสักแต่ว่านั้นมันก็เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มเห็นความเป็นธาตุในร่างกายเนี่ย เป็นเพียงสติว่าไม่ใช่เรานอะมันเริ่มแยกออกจากกันนะเห็นไหมอารมณ์รูปนามเนอะมันยากมากไม่ใช่ของง่ายพอรู้ตัวแล้วก็จะรู้ว่าเออมันเป็นเพียงธาตุเป็นเพียงรูปนะรูปประธาต์แยกออกไปเป็นเออเนี่ยดินนะแข็งแขนะ็งเนี่ยมีน้ํามีไฟมีลมผลของมันเราดูตรงที่เราปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางได้ก็ใช่อะ่ะถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่ใช่ เรารู้อยู่เราการเคลื่อนไหวเนี่ยรู้แบบไม่มีอะไรไม่มีตัวเรานะมีไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ใหม่ใหม่มันถูกรู้นะเดินไปรู้สึกตัวชัดโอ้ยเรารู้ชัดลระเกิด น, น้อยมันมีตัวเรารู้ที่ทําไงจริ ง, จ, รงจะไม่มีมีแต่ภาวะอาการของธรรมชาติเฉยๆอาการรู้ลุ่มนามเนี่ยความเข้มของปัญญาก็ต่างกันไปอ่ะ ในเบื้องต้นรู้แต่มันไม่ปล่อยวางให้นั่นต้องมีความตั้งมั่นของการรู้กายที่นิวากายยาตาสติเนี่ยชัดคือยัยมันหลุดไปจริงๆเรากำลังจะพัฒนาตัวความรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยนาไปสู่ความเป็นศูนย์ยะตาความเป็นศูนย์แต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนในการ ขยบปัญญาขึ้นไปตามลาดับเราสังเกตดูดิเราเลยลึกรู้มันเป็นได้ไหมเห็นว่าเป็นธาตุได้ไหมเวลาเราเจ็บใครได้ป่วยสังเกตเน่ะเพราะเป็ยนดน้อยเนาะเราจะเป็นเยอะนะ่ะต้องห่วงนั่นห่วงนี่สังขารอยากไปหาบัวน้าำมอกคือมันไม่วางชิดเนี่ยนะดูใจดูน้ําเสียงดูอะไรของเราเวลาเราดูเนี่ยมัน <c oughs> มีความวผูกพัน มีความยึดติดมันได้เหมือนว่าออจะเห็นว่าตายก็ช่างหัวมันน่ะะชีวิตนี่อุทิศให้กับความเพียรดูดิมันไม่เปลี่ยนให้คือมันไม่วางให้พอไม่วางให้เราก็แพ้ปรากฏการณ์ที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปอาการทั้งหลายแล้วก็ไหลไปตามอาการที่เกิดขึ้นกับนามสิ่งที่ไหลแล้วก็ตายไหลไปกับนาม รูปโรคนามรโร ค, ร, โ ร, ครูปทุกนามทุกรูปทำนามทำไม่มีอ่ะรูปทำนามทำเห็นเป็นเพียงแต่แต่ว่าเป็นอาการของรูปทำนามทำเฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นให้ฉะนัะ้นปรากฏการณ์ที่จะนําไปสู่การเกิดปัญญาให้ได้มาถึงความเป็นศูนย์ในสรรพสิ่งอะเนี้ย่ยสิ่งเหล่านี้สักเป็นาธต า, ต า, าตุตามธรรมชาติหรือใจมันเหมือน ได้ใจอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้นะอจฉัยยาปัจเวกิตวาสิ่งทั้งหลายเป็นสักว่าแต่ว่าเป็นปัจัจสี่ในการประคองให้อัตภาพนี้เป็นไปด้วยสะดวกความเป็นผู้หาโทษไม่ได้อะไม่โทษโทษคือทุกเนี่ยมันไม่ทุกละความเป็นอยู่โดยผาสุกใจมันมีกับเราเนี่ยมันไม่มี มันไม่เกิดมันไม่มีขึ้นมานั้นก็อาศัยอาศัยการใส่ใจมาเฝ้าดูมันเอ้าทําไงอ่ะจะได้เห็นเป็นอย่างนี้ได้บางทีเวลาเขาทําวัดสวดมนต์เขาจะสวดปกตินะถ้าเราไปตามวัดทั่วๆไปเขาจะสวดบททําวัดเช้าก็ทําวัดเช้าทำวัดเย็นก็ทำวัดเย็นแล้วบทพิจารณานี่แหละตอนเช้าเขาก็ใช้ปฏิสังขโยตอนบ่ายเขาตอนค่ํา ก็ใช้อจชัยยาแล้วก็กวดน้ำแผ่เมตตาวันทาประมาณนั้นก็จบไปนี่เป็นเรื่องของปัญญานะที่มันไม่ได้แล้วก็พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆเรื่อยๆทำอยู่เรื่อยให้เกิดปัญญาเละยลึก ร, รู้ให้ปัญญารู้เห็น ให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาจนทั้งว่ามันเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงศัจธรรมของรูปปรากฏคือมันจะปล่อยวางเรื่องรูปได้หรือมันจะเห็นเป็นศูนย์ได้เนี่ยคือต้องมีสมาธิอย่างที่ว่านะพึกสติมีสมาธิเห็นความเป็นทุกข์ของรูปเนี่ย มันก็จะปล่อยชัดมันจะเห็นอย่างที่ธรรมชาติมันเป็นอย่างที่ท่านบอกว่าเป็นธาตุเป็นขันเนี่ยคือมันต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมันเห็นไว้ว่ากายนี่เป็นทุกข์การเคลื่อนไหวทั้งหลายทั้งปวงเป็นการบําบัดทุกข์นะอันนี้อแต่เราเห็นว่ามันเป็นสุขถ้าขัดใครขัดขวางไม่เราขยับขยเรื่อนเราต้องอยู่ในอันนี้แล้วรู้สึกเราไม่พอใจเราทุกข์มากจิตเราน่ะ มันผูกพันมันเป็นโโทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่ได้คงอยู่ในสภาพมันเราเห็นมันไ้มทุกขังเห็นอันนี้จังไหเขาว่าเห็นทุกข์ังอันนี้จังอนัตตาเนี่ยก็คือเห็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเห็นความทุกข์มันเกิดแล้วดับเนี่ยมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นกับจิตไหมถ้ามันมันเป็นแบบนี้เห็นมันเกิดมันดับได้เนี่ยบางทีก็เห็นมันเกิดดับทีละน้อย คือเราเฉยกับมันแล้วมันก็ดับไปทางกายก็ไม่ใส่ใจเดี๋ยวมันก็หายเองหรือทางจิตเหงือนขันไม่ไปยุ่งไม่ไปคิดไปเติมไปปรุงมันมันก็ดับไปแล้วที่สุดคือเห็นปุ๊บดับปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยเราทําเป็นกับเขาบ้างไหมถ้าเห็นปุ๊บดับปุ๊บแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาเงี่ยเห็นกับเขาบ้างไหมถ้ามันไม่เห็นปุ๊บดับปุ๊บได้เนี่ยไอความต่างมันไม่เกิดขึ้นกับจิตอนนี้ ถ้าจะเกิดพิจิก็เกิดแบบบางบางเบาเบานะมันไม่มีสมาธิมากพอที่จิตจะตื่นตัวขึ้นมาเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นไตรักษ์น้อยนิดน่ะตื่นเขินธรรมะเรามันตื่นเขินนะ่ะก<ฮ>เห็นตื่นเขินไอตัวปล่อยวาง รูปกายนําไปสู่การรู้รูปตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะเกิดอยู่แต่ตื้นต้ น, ตนเอาอาจจะเลิกบุหรี่ได้เลิกกาแฟได้อะไรประมาณเนี้ยเลิกใช้เครื่องสำอางเป็นเนี่ยเลิกมัวเมากับกายเนี่ยพอได้แต่ถ้าใครมาดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรประมาณเนี้ยรู้สึก่เป็นทุกข์ขึ้นมานะกายเนี่ยเรามาทุกข์กับมัน เรายึดติดมันปัญญายังไม่เกิดเราไม่มีปัญญาเห็นทุกอันนี้ได้แสดงว่าออปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาตื้นเขินเ น, นียเราสังเกต ด, ดูดีเราปฏิบัติทำเรามีสมาธิได้อารมณ์อะไรเนี่ยมันปล่อยวางอะไรได้บ้างถ้ามันไม่ได้เราเดินไปเราก็สังเกตไปตัวไหนอะที่มันให้เป็นทุกข์มันรู้จริงๆไหมอันนี้จังทุกขังอนันตาเนี่ย เวลามันเกิดปัญหามาทําไมมันมันใช้ไม่ได้อ่ะเวลาทํางานมันเหนื่อยเงี้ยแล้วทำไมมันไม่ปล่อยวางอ่ะนะกายเนี่ยรู้จักอยู่อนิจจังทุกขังนมันเป็นนี้แล้วทําไมมันขี้เกียจอ่ะทําไมไม่อยากทําความดีทําไมไม่เอากายนี้ไปทําความดีความงามอยู่กับคนเนี้ยทําความดีได้ไหมทําเฉยเฉยเนี่ยเวลาคิดจิตมันจะมีเหตุมีผลทุกมาแล้วก็กําหนดรู้มันเห็นมันมันก็ปล่อยวางทําไมมันทําไม่ได้อ่ะ มันไม่เหมือนกับบางคนบางคนเ อ, อ้ยที่ไม่ได้อารมณ์มนะคนเนี้ยแต่จิตเปลี่ยนแปลงมีสามัญสำนึกดีอย่างอะรู้หน้าที่การงานรู้ปล่อยรู้วางรู้อะไรเฮ้ยทาไมมันต่างกันอืมพราะอะไรเพราะเราไม่เยกไข่ไหมเนี่ยอันเราก็ต้องหาหาเหตุหาปัจจัยมันมันตรงไหนอะมันพลาดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอืมเรายิ่งรู้ก็ยิ่งมีตัวมีตนขึ้นมาเ อ, อ้คนอื่นรู้ คนอื่นบอกว่าไม่รู้ไม่รู้แต่มีไม่มีตัวไม่มีตนนะทําได้ยังไงเืระมาณนั้นเราก็อยู่ด้วยกันก็เฉลีย่ยความรู้กันเห็นคนนั่นทําะไรดีไปนี่คนนี้ดีไปนั้นไม่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกันเออคนนั้นเป็นเราเนี่ยคือเอามาแบ่งปันกันนะโอ้คนนี้ได้หนึ่งคนนี้ได้สองพยายามมาพัฒนานะสติสัมปชัญญะเราก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมานะ แจ่ใสขึ้นมาเราก็เริ่มเห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็มีความสุขจากการเห็นเนี่ยทีนี้ความสุขอันเนี้ยก็ช่วยให้นําไปสู่อืมความรู้ตัวใหม่แทนที่เมื่อก่อนเนี่ยเราได้ความสุขอันเกิดจากสิ่งข้างนอกหาความสุขจากรูปวันนี้แต่นี้เราได้ความสุขเกิดจากการปล่อยวางรูปวันนี้เนี่ยความสุขในสมาธิสุขในฌาน นะสเสรวยสูงด้วยนํา ม, มากายเป็นน่มันก็จะเริ่มว่างจิตเนี่ยเริ่มว่างจากความเห็นรูปนี่เป็นตัวตนนะมันเริ่มเห็นเป็นศูนย์ศูนย์คือว่างศูนย์ไม่มีค่าไม่มีพอใจไม่พอใจอะไรประมาณเนี้ยเออเราปล่อยได้ละเริ่มสงบขึ้นมาเนี่ยเนี่ยสังเกตไปนเนี้ย นำไปสู่ความเป็นเหลือเพียงเป็นธาตุนะโอ้สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินาะเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติแล้มองข้างมาข้างในเดียส่ ว, ว่าเวลานะั้นเราก็ไปเมาบ้าอยู่กับความคิดเราเองนะนะบ้าอยู่กับความคิดเราไปว่าใครต่อยต้องไม่ได้ใครพูดอะไรก็ไม่ได้นะมันไม่ธรรมดาแล้วธรรมะคือธรมธรมดาธรรมดาธรรมดาจนสู่ความไม่มีตัวมีตน นี่ใครบอกก็ไม่ได้ใครสอนก็ไม่ได้มีเหตุมีผลส่วนตัวสามารถคัดง้าง ม, มึงว่ามากูว่าไปได้อะไรประมาณโอยตายอันนี้อย่าพูดแต่คนสอนเลยปฏิบัติธรรมเน่หมาสอนก็ให้ได้ทดลองให้หมาสอนใส่ได้ไหมเยี่ยวใส่ได้ไหมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมยิ่งตัวเกิดขึ้นเยอะ ตนเกิดขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนอาจจะ ม, มีตัวตนแบบหยาบๆต่อมาตอนนี้ก็เป็นตัวตนแบบลึกๆอยู่ข้างในภาษาเขาใช้คาว่ากลัดชกายนะตัวกลัดชกลายกลัชกายคือจิตมันถูกย้อมนั่นแหละย้อมย้อมด้วยความดนะีเราไม่ทำความชัว่วแต่มันติดดีอนะไรปนี้ ตัวนี้ยป็นตัวกลัชกายเป็นกายอีกแบบหนึ่งนะที่นำไปสู่ความเป็นตัวเป็นตนมีสติขึ้นมาหน่อยๆ น, นะแต่ว่าตัวนี้เห็นมันยากมันแว บ, บไปแว บ, บมาได้เราสามารถเข้าข้างตัวเองก็ได้ท่านทำไงเราจริงจะมองเห็นว่าเ อ, อเป็นศักิ์แต่ว่าจนนุ่นแล้วจนไม่มีแก่นสารสมาธิดีนาไปสู่การเห็น ความเกิดดับของกายนี้ในสมาธิเห็นเหมือนของที่เปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยผุพังอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยไม่มีที่ตั้งให้ความยึดถือได้พึ่งไม่ได้รักอันอณาตาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแต่ก่อนว่างเฉยๆนะนี่มันมีปัญญาเฮ้ยพึ่งพาไม่ได้นะ ไม่ใช่ตัวกูของกูสามารถขยายคําว่าอนนาตาไปได้เยอะแยะเลยอจิตเนี่ยคือขยายไปสู่ความเป็นเพียงรูปเพียงนามเฉยๆเนี่ยเข้าใจเออไม่แต่คําว่ารูปนามเนี่ยก็เป็นภาวะของสมมุติขึ้นมานะอย่างเงี้ยขึ้นนั่ไปสู่นั้นนะไม่ใช่วันวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีจะเพ่งว่าไอ้กูจะไปทางไหนกูจะไปยังไงกูจะเอาอะไรกูเป็นอะไรยังไงอยู่โอ๊ย ม, มัน คือมันไม่ได้อิงทำเหมือนเลื่อยเนี่ยเลื่อยไม้เนี่ยเลื่อยไปเรื่อยมาห้ยเบื่อไหนไม่เลื่อยดีกว่าว่าเนี่ยแต่คนหนึ่งทําไปเขาก็เลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อนหน้าที่เขามีหน้าเลื่อยเลื่อยไม้อเลื่อยไปเรื่อยเนี่ะพอเลื่อยไปเรื่อยมามันก็ขาดเองแหละไม่ได้ทําอะไรนะไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรถูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขาดเลยแต่เขาเราบางทีเอ้าไม่เลื่อยดีกว่าว่าอยู่เฉย มองมาเฉยเฉยมัจะขาดกิดขาดไม่ขาดก็เล้วไปนะคุจะไปเรื่อยอย่างโน้นจะไปทําอย่างนี้อะไรประมาณเอา้าที่ไหนเขาก็ให้เรื่อยความคิดเหมือนเดิมแหละนะเรื่อยความปรุงแต่งนี้ออกเรื่อยความความเเบื่อความไหนในจิตเราที่มันเป็นขอามาเป็นตัวเป็นตเนตเนี่ยเอาออกได้กี่ตัวแล้วนี่บอลทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นตัวเป็นอัตตาเป็นตัวนั่นแหละเรามาดับความเป็นตัวตนแล้วก็ไปดับความสิ่งที่อยู่ในใจอนุสัย ปฏิฆะนุสัยอวิชานุสัยเวลาคะนุสัยสิ่งเหล่านี้ที่นอนเนื่องอยู่ในใจทำไงนะเราจะขัดเขียมันออกไปได้เรานับดูที่มันได้กี่ตัวมีกี่อันเนี่ยบทีไม่ได้เลยนะเอามันเอาไม่ออกนะปัญญาไม่ให้ไม่เกิดนั้นใส่ใจหาดูรูปสู่ความเป็นสุญญตาแล้วถ้ามัได้อารมณ์ปุ๊บ ม, มีสมาธิ ก็เริ่มเห็นเข้าใจรูปแจ้งรูปน้ำรูปแจงสมมุตินะทิตตั้งมัน่นอยู่กับปรมัตคือเห็นกระทบดับกระทบดับในใจนะเห็นรูปดับเห็นวทนาดับสัญญาสัางขารมีความตั้งมั่นเน่ยมีสติเข้าไปอยู่ในใจได้มันชัดเจนขึ้นมาเลยเนี่ยเอา้ามันเคยจะพ้นอารมณ์รูปน้ำ ม, มาละทีเนี่ยนะเวลาเราปฏิบัติทำเราก็ไม่ห่วงกับรูปกายอันนี้ เวลาอารมณ์ขึ้นสูงสว่าหิวได้วันนี้มันผ่านมาแล้วอารมณ์เนี่ยอารมณ์นี้รู้สึกว่าติดสวยติดงามเดินไปท ว, ว่าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดนั่นปวดนี้มันผ่านมาแล้วอารมณ์นี้มันวางได้แล้วนะแต่ถ้าเราไม่ได้เยียบคายในอารมณ์รูปนามรู้ตัวไม่ชัดเจนมันไม่วางพวกนี้ได้เรากระโดดไปที่จิตปุ๊บกําลังกูกพันอยู่เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับกายเนี่ยจิตมันติดนมันไม่ออก ะคือรู้รูปนามไม่ใช่เหมือนคนเรียนชั้สูงขึ้นไปเนี่ยบวกลบคูณหารกอไก่กอกายังไม่เข้าใจเวลาขึ้นไปชั้นทุกสูงเนี่ยเวลาเขาผสมสระหาค่าตัวแปรสมการอะไรทาไม่ได้เราทําไม่ได้อ่านศับยากๆอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะเราเราทําไม่เป็นนเ่ตอนเราอยู่ปถมมัธยมนี่เราไม่ตั้งใจทําตอนอยู่อารมณ์รูปนามไม่ตั้งใจที่จะเลืกรู้ แต่พอไปอยู่อารมณ์พอมาเห็นความคิดอารมณ์เนี่ยติดวิปัสสนูง่ายทีเนี้ยนั้นคนที่ติดอารมณ์วิปัสสนูปกิเลสง่ายๆเนี่ยเพราะอารมณ์รูปนามมันไม่ชัดเท่านั้นเองนะเพราะอารมณ์รูปนามมันไม่ชัดถ้าอารมณ์รูปนามมันไม่ชัดวิปัสสนูมันก็ไม่เกิดทัน า, านาณาธรระอัตตาตัวตนตั ว, ต ว, ต ว, ตวกูของกูของสงูของมึงอะไรประมาณเนี้ย ตัววิปัสโนมันไม่ชัดตัววิปัสนาในฐานรูปนามไม่ชัดพอไม่ชัดมันก็ติดสมมุติมันก็ไปนะเนาะแต่ถ้าเป็นปรมัทตย์หน่อยเออมันก็วางดีนะอารมณ์รูปนามที่จะผลักดันมาสู่ความเป็นวิปัสโนมันก็มันอาจจะติดเหมือนกันแต่เน้นน้อยแล้วมันหลุดไปมันไวนะแต่จะไม่ให้เป็นเลยเนี่ยอู้ยากนะจะมีสักนิดสักหน่อยจะรู้เท่าทันเนี่ยพอได้อะ ท่านก็พยายามสังเกตดูอารมณ์เรานะให้มันชัดรูปนามให้มันชัดเราจะไปมัวใส่ใจกับเรื่องอย่างอื่นหลายเรื่อง อ, งอื่นหลายขึ้นหมายว่ า, าไปอยู่กับอดีตอนาคตอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ที่จะอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่อยู่นะใา้ยังไงก็ตามจะให้มันออกไปไหนก็ให้มันอยู่ในกรอบของธรรมะนี่แหละให้อยู่ใกล้กลตัวแล้วปัญญาจะมาแต่อยู่ใกล้ตัวเป็น ถ้าอยู่ไม่ได้ก็มันก็ไม่มีแล้วปัญญารู้จะออกมาจากไห น, นาหาดูนะแล้วอนุมูธนา